เรื่องพระเจ้าพัทยะสากยะสมัยนั้นพระเจ้าพัทยะสากยะครองราชสมบัติของชาวสากยะวงศ์พระองค์ทรงเป็นพระสหายของเจ้าอนุรุท ธ, ธาสากยะครั้งนั้น พระมารดาของเจ้าอนุรุทธะสากยะทรงดำริว่าพระเจ้าพัทยะสากยะนี้ครองราชสมบัติของชาวสากยะวง์ทรงเป็นพระสหายของลูกอนุรุทธะพระองค์จะไม่สามารถเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแน่จึงตรัสกับเจ้าอนุรุทธะสากยะดังนี้ว่าลูกอนุรุทธะ ถ้าพระเจ้าพัทยาสากยะจะเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยลูกก็จงบวชเถิดต่อมาเจ้าอนุรุท ธ, ธาสากยะจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพัทยาสากยะถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ทูลพระเจ้าพัทยสากยะดังนี้ว่าเพื่อนรักการบวชของเราเกี่ยวเนื่องกับท่าน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 พระเจ้าพัทยาสากยะตรัสกับอนุรุทธะสากยะดังนี้ว่าเพื่อนรักท่านโปรดรออยู่สักเจ็ดปีเถิดพอพ้นเจ็ดปีเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันเจ้าอนุรุทธะสากยะทูลว่าเจ็ดปีนานเกินไปเราไม่สามารถจะรอถึงเจ็ดปีได้ พระเจ้าพัทยาสากยะตรัสว่าเพื่อนรักโปร .6 อหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเมื่อล่วงหนึ่งปีเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยกันเจ้าอนุรุทธะสากยะทูลว่าหนึ่งปีก็ยังนานเกินไป เราไม่สามารถรอถึงหนึ่งปีได้พระเจ้าพัติยสากยะตรัสว่าเพื่อนรักท่านโปรดรอสักเจ็ดเดือนพอพ้นเจ็ดเดือนเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันเจ้าอนุรุท ธ, ธาสักยะทูลว่าเจ็ดเดือนก็ยังนานเกินไปเราไม่สามารถรอถึงเจ็ดเดือนได้ พระเจ้าพัทยสักยะตรัสว่าเพื่อนรักท่านโปรดรอสักหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดื อ, น, พอพนครึ่งเดือนพอพ้นครึ่งเดือนเราทั้งสองจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยกันเจ้าอนุรุทธะสักยะทูลว่า ครึ่งเดือนก็ยังนานเกินไปเราไม่สามารถรอถึงครึ่งเดือนได้พระเจ้าพัตธิยสากยะตรัสว่าเพื่อนรักท่านโปรดรอสักเจ็ดวันเถิดพอให้เราได้มอบราชสมบัติแก่พวกลูกๆและญาติพี่น้องเจ้าอนุรุทธะสากยะทูลว่าเพื่อนรักเจ็ดวันไม่นานเกินไปเราจะรอ